อ่าไป็นหอดมือลหลวงปู่ลอเดอร์มือในวันที่เก้าแล้วมีแปดมื อ, มอเป็นวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดสวดมนต์เย็นจะเริ่มประพุทธม่อนนี่ถักที่หน้านุปทานนีเทศแต่ไหวจะทุบปปัจให้ท่านจิงของผู้บาอาจารย์หลักให้พอนวันที่สิบแปดนี่บินทบทั ในวัดถวายพระสหารไปรเจอกับสงอนุโมทนาแล้วก็นอย่าโนมกินเขาเราก็แล้วล่ะเออวันที่สิบเจ็ดมีดบินทบาทไปวัดนั่งอยู่ตอนเจ้าเพราะว่าพระหลายพระกระายแล้วมีดบินทบาทเนี้ยวันที่สิบเจ็ดนําเดี้ยบอกบอกกันต่อไปกห็หาน ร, รื่องเตือนเขากับบดกประกาศก็บอกคอยก่วงขวางคนไหนใยกันบอกเขา โอกาสที่ท้าบุญยังสิละ่ะเป็นโอกาสดีซู่เจงพวกเข้าหาป่านี่นะหิ่ไหนไงปลาึ้นก็ก็เฝ้าไปด้วยเฝ้าไปเตรียมก่องเตรียมแหเตรียมอุปกรณ์ไปนไปจับป่าหิ่นปลาึ้นเห็นซู่เจงพวกอยู่กรุงเทพจะจะไม้ก่อนเขาว่าขันน้ามึ้นให้รีบตัก์ทไว้กันไฮเฝ้าตักเอาขั้นหน้าคืนนะคือแต่ก่อนเนี่ยค้น อยู่กรุงเทพเนี่ยอาศัยเ้าเห็ดเงื่อนเห็ดซ้านอยู่ทิ่มข้องน้ำประปลาเมื่กี้จีบอธิมี่แหละเจ่อนมี่กับพดีไรแน่บัวไรแหน่กันเขาก็อาศัยน้ำในค้องน่ะแหละเจ่อนข้องสะอาดได้กรุงเทพข้องสะอาดน้ำตักขึ้นมาใส่อาบใส่ล่างถวยล้างซ่ามซักขาซักแค่ได้่ก่อนเนี่เขาก็กันน้ำเป็นฝ้าตักได้ เ้าตักน้ำใจแองใจแองไหวกเต็มนะแต่มันน้ำลดลงไปนะมันโย่ปุ่นยุ่ยเลิกปุ่นมันลงไปตักหยาบไอ้ย่ำน้าขึ้นให้รีบตักขึ้นมามันย่ำน้ำลงมันตักหยาบโมีม่น้ำจึงให้ตักนําอันนี้คือการย่มได้มีบุญก็ะฝ้าเฮ็ดเอาบุญนะพวกเข้าเกิดแม่กับหูจักเราตัวว่าแนวอื่นเน่ะมันคือบ่ได้เนี่ยแน่อื่นเนี่ยมันบุญ นี่าือใส่น้ำเลยโดยเฉพาะผูอ้อายุหลายหลายเล้วงนั่นน่ะมีหูจักหรตัว่าหูจักคักหูจักแน่แล้วว่าบ่ได้ยังขี้ดินขี้ดอนทรัพย์สินเงินทองโอ้ยลรวบ่มีประโยชน์มีหลายยุแต่บ่มีประโยชน์นนนยังน่างกายเจ้าของเนี่ยแต่แต่กี่กะว่ามันคักละ่ะเป็นผู้จบผู้ ง, ง่ามขัวมูละ่ะเป็นผู้แข็งผู้แห้งกัวมูละ่ะ มันนี่เป็นยังไดงบ้างโอ้หูจักแล้วว่าใดตัวเนี่ยว่าใดจักอันตัวเดี้วสั่นเดียวจักแล้วเอาบุญบาเนี่ยหูจักบุญเฮ็เอาบุญเด้อแนวมันจิไปน้ําใจเท่าเนี่ใจเท่าทีดีใส่ย้อนบุญใจเท่าทิ่ฮวงเฮื่องขึ้นใจเท่าที่ผลจากทุกจากเนี่ยในวัฏจะกรสงสารมันจปผนจากวัฏจัสงสารได้ใส่ย้อนบุญนี่แหละถ้าบุญบุญก็มี่อย่งแน่แหละให้ท่าน รักษาศีลจะเลื่อนภาวนาเนว่ยโมนีโมเมนต์เนี่ยเหตุญาตให้ท่านานี่สของก็มีอยู่มีในโลกนี่แหละของว่ต้องไปเอาโลกอื่นโลกใดดอกก็มีอยู่นี่แหละท่านเป็นเขาน้ำต้มปลาบอกเป็นผ่าเป็นปอนเป็นแพร่เป็นอยู่เป็นห ย, ยาบอกยังไงนะเครื่องไส้ไม่ซอยเสีต่เป็นท่านโดยเฉพาะกับท่านให้พระเจ้าประสงค์คนอยู่ในศีลในธรถ้ะ นั่นแหละบุญหลายอย่างเั็มเขาว่าให้ท่านเนี่มันได้บุญเยอะดอกขันให้ท่านผู้ที่นี่บุญหลายหลายเนี่นแยแห่งได้บุญหลายเท่านะ่ะท่านเขา่าท่านเขา่าให้แม่ให้แมวอย่างจีก็ได้บุญเยอะท่านให้ผู้ยากผู้ให้ผู้มาเราเบ้อมิเข่าชิจู้ชิกินเน่ยทานก็นได้บุญได้บุญหลายฝืนอย่างนั้นแหละให้ท่านอย่างอื่นอีกค่อยค่อ ย, ค, อยคิดเจริญหน้ า, นนาบเบิ้ง เมื่อใดบุญหลายสื่อหลายสื่อนี้นั่นแหละโมเมนต์จ้ของอขเนี่ยเอาให้ท่านให้ท่านควบคู่เหลือเขาเห็นเขายกไ ม, ม่นักหลายไปซอยเขายกเช่นเ่ียวนั่นจำแนนให้ท่านเอากำลังให้ท่านเอาแห้งให้ท่านเนี่อันถ้าเขาขึ้นอย่างโบกไปซอยเขาขึ้นไปซอยเขาเฮ็ดเช่นเดียก็กเป็นการให้ท่านให้ท่านควบคู่เหลือด่านสติปัญญาเช่นเดีย มาที่นี่เถะมีอีกได้ไ้ท่านเนี่ยท่าเกียดถ้ท่าตั้งใครงี้สิอภัยเหรอสันเอาไรอภัยท่านอภัยให้ท่านาา ว, าาานาวา่าสันเฒ่าเกียดตเฒ่าตั้งเฒ่าคิดกันเนี่ยเรียกว่าอภัยท่ทานอันนี้แต่ท่านแห้งละเอียดแห้งสูงขึ้นไปอีกเนี่ยมันหักมี่ด อ, อกใหเท่าเนี่ยมันเกียดติคุณนั่นตั้งคุณนี่มันหักมี่เท่าอภัยเรื่อนีมันอภัยได้มาได้ปั๊บเลโอ้ยสบายใจเลย มันเป็นอุบายทำให้คิตใจเขาสบายคิตใจเขาเบิกบานอันนี้การให้ทา่านบุญทุกอย่างนั่นแหะเป็นแนวเพศให้คิตใจเบิกบานการรักษาศีลจะเป็นบุญบุญรักษาศีลจะทําให้คิตใจเบิกบานจิตใจหอมเย็นไปอันนี้มันมันดีขึ้นไปทั้งท่นหลักรักษาศีลที่แรกว่าโอ้ยคือยากเนาะรักษาศีลเพราะฝันเอาซุ้มมะงุม่มหัวเจ้าของไว้สีเฮ็ดย่างกัเฮ็ดบะได สิขาสัตว์ัตวชีวิตก็บอได้สิขาปลาขาหมูขาเป็ดขาไก่ก็พอได้โอ้ยกึดยากวามันคือจังเอารุมมาง้มไหว่มมีอิสรภาพมันมารักษาเขาแล้วครับกันโฮใจมันเย็นมันหุ่มมันเย็นตัวมันดีให้จิตใจเย็นเบิกบานเห็นมันเห็นยังงเดี้ยเป็นบุญแะ้วนั่น ถ้าขันใจดีแล้วมันจะตีไปใส่ให้เมื่อกลับไปดีส่วนตัวแห่งมัพภาวนาแห่งดีเนี่ย <c oughs> หอดเนียมือแล้งหอดย่ำวันพระวั่นยิ้นกัมามาบัดมาว่ามาเบงิงกูบาร์จานคนอยู่จันใดคนผเฮ็ดทางไหนไหว้นนวพระสวดมนต์ทำบัดเต่าทำบัดแล้งกับเป็นที่แรกกับบเป็นนะ่ะมาอยู่น้าเพลินไปอยู่ไปอยู่มาทำบัดเต่าทำบัดแลงกับเป็นย พั น, านาเท่าวานางพวนาข้าฟังเสดหลวงปู่ที่แหลกก็ฟังบ่งหูเรื่องหูเล่าหล่ะโดนไปโดนมากพันวาฟังอย่างกันแหมจิตไหมดิบเมื่อกระทั่งเป็นนั่นจิตใจมันสงบนั่นเป็นบุญหลายกว่าเกา่าคนดีกว่าเกา่าจิตใจเออวางอื่นเขาบ่ใดทีเพิงเห๊ะเท่ามาบ่ใดทีเพิงแล้วแต่จุดเห็นว่าโอ้เพิงใจเด็กของนี่ล่ะคือยังเข้าไปวางใดวางนึ่งนี่นะโอ้เป็นแต่ยานยานผียังดีนะ่น่ะ ขานที่หลอกขันมีมูกับไข่แน่จริงๆมาเนี่ยขันเข้าไปผู้เดียวมูกับบ่มีแค่นี้แต่ว่าขันใจเข้าเนี่ยโม่ใจบ่ย่านเลยใจเห็นแขงใจหุมใจเย็นนี่บ่ยานแน่นั่นล่ะที่เพิงมันแมนใจแมนจะเอามูกับไปนั่นกับแมนเอาเครื่องใจเจะขอเนี่ย่ะนะพะว่าเห็นมูแล้วก็คิดว่าใจเย็นอยู่ใจหุ้มยุกเนี่ยมันก็เลยบ่ยานผีนี่สิ มาที่นี่ไปผู้เดียวก็ไปได้บ้านนั่นแหละเพิ่งใจเจ้าของได้แท้แทเนี่ยห้อิตใจพอเนี่ยมันเป็นแต่ยานอะไรเลยในชีวิต เ, เนี่ยเขาเกียมไวในเวลากานพูดต ล, ลาดย่ ม, น, ม น, น้ขึ้นรีดตักแต่ขญั่มไมีบุญเฝ้าไม่ให้บุญเด้อเขามีเฮ็ดลงท่านเฮ็ดยังกันไม่เฮ็ดเขากันตั้งเป็นลงท่านเจ้าของบ่ไดก็มาต่อยกันได้บุญเมื่อไหร่ละวันหลวงปู่เนี่ย อ่าพิจารณาเนอะขันยามมันปงเขาอยู่ไปเก็บเพื่อสรรตัวเห็ดน่ะย่ามเห็ดปงน่ะก้นป้ายไปเก็บเห็ดขันเท้าสลาดก็ไปเก็บย่ามเห็ดปงเนี่ยแล้วอันมันเข้าคงเลยจะไปเก็บยังหล่ะอันตันเด้อตอนคุยทิศทาง